ซึ่งแม้จะรักกันปานประหนึ่งจะกลืนกินกันไว้แต่ก็ต้องจากกันไปอย่างแน่นอนอความจริงแห่งชีวิตไม่ใช่จะมีแต่ในทางอสสาธะคือหน้าพอใจเท่านั้นชีวิต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 ใช้เป็นกุญแจไขปัญหาที่ตื้นตันได้เมื่อมิมีทางออกอย่างอื่นอีกแล้วบางคนความตายจู่โจมเข้ามาถึงตัวแล้วฉุดคล้าเอาไปท่ามกลางความเสียดายความพิราบลำพันธ์ของสาธุชนทั้งหลายแต่บางคราวความตายก็มาสถิตยอยู่ใกล้ๆอยู่ในตัวคอยเตือนเช้าเตือนเย็นแต่ไม่ยอมฉุดเอาชีวิต แม่เจ้าของชีวิตจะยิ้มรับหรือรับจนถึงขั้นวิงวอนว่าเอาไปเสียทีเถิดแต่ท่านเท้าพญามจุราชก็ทำเฉยเสมือนไม่ใหญ่ดีเพียงมาประทับให้ดูเล่นพองหงุดหงิดใจไปทุกวันเป็นความตายที่ทรมานเหลือเกิน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 โลกที่เต็มไปด้วยหลุ่มพางอันน่าหวาดเสียวเต็มไปด้วยอันตรายนานาประการเหมือนเหยียบย่างลงไปในป่าแห่งงูมันน่าขยะขยงและน่าหวาดกลัวอะไรเช่นนั้นความรู้นั้นผิดกับอย่างอื่นยิ่งใช้ยิ่งพอกพูนงอกงามกว้างขวางถ้าไม่ใช้ก็หดแห้งหายไปเป็นอมภาตอาหารที่ไม่ได้ย่อย